พิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็คือสนทนาเรื่องพิสษุนสองรูปอะ่ะที่มีความสนิทสนมความคุ้นเคยกันพระเจ้าค่ะพงศ์ก็ตรัสว่าดูความพิสูุทั้งหลายการที่พิกษุนสองรูปนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันในอัตภาพนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยซึ่งมาเจอกันคุ้นเคยกันในชาตินี้เป็นเรื่องธรรมดาเถอะยังไม่ถึงกับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรนะัก แต่โบราณะกะ บ, บัณฑิตทั้งหลายแม้จะท่องเที่ยวไปในระหว่างสองสามภพสี่ภพตายเกิด 3, สามสี่ชาติก็ยังผูกพันกันยังรักใคร่ยังปลองดองกันไม่ละทิ้งความสนิทสนมฐานมิตรกันเลยไม่สละความเป็นมิตรความเป็นเพื่อน 3, สามสี่ชาติก็ไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยความผูกพันไปด้วยความรักใคร่แล้วพระองค์ก็ทรงนําอดีตทีทานเรื่องราวมาแสดงว่าในอดีตการ พระเจ้าอาวันตีมหาราชเสวย ร, ราชสมบัติอยู่ในกรุงอุชเชนีแคว้นอวันตีในครั้งนั้นด้านนอกกรุงอุเชนีนั้นเนี่ยมีหมู่บ้านคนจันทานอยู่ตำบลหนึ่งคนจันทานเนี่ยถือว่าเป็นวันน่ะที่ต่ำต้อยที่สุดแม้แต่ในเรื่องการศึกษาทั่วไปคนจันทานเนี่ยคนจันทานเนี่ยต่ำต้อยยิ่งกว่าทาตุอีกธาตยังถือว่าไม่ต่ำต้อยเท่าจันทานจันทานนั้นเป็นการผสมเรียกว่า เป็นลูกที่เกิดจากการผิดวรรณะกั น, น, นพอมาผิดวันณะกันสมมุติว่าพ่อเป็นสูตรไปได้แม่เป็นพราหมณ์อย่า ง, งี้ลูกออกมาเป็นจันทานเขาเรียกว่าถือว่าผิดชาติชั้นวันณนะลูกจันทานนั้นเป็นวันณะที่คนรังเกียจเหยียดย้มดูหมิ่นดูแคลนมากคนที่ถือข่าวถือมงคลเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ย โ, โหต้องเอาน้ํามาล้างตาถือว่าสวยที่สุดเขาเรียกว่าเป็นตัวซวยอ่ะเหมือนกับไทยไทยเราเขาเรียกเห็นตัวเงินตัวทองอ่ะนะ ไทยเนี่ยถือทางกรุงเทพเนี่ยเขาถือนะใครเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาถือว่าซวยมากเลยทางภาคกลางเขาถือคล้ายๆตะโวดอ่ะนะเรียกตัวนั้นอ่ะทางอินเดียก็เหมือนกันบางประเทศนั้นเขาถือคนบางคนเนี่ยเป็นวันณะที่น่ารังเกียจมากเห็นแล้วทาใจไม่ได้เลยนะหน้ารังเกียจน้าขยะขยะอย่างนั้นแหละพระโพธิสัตว์เจ้าก็บังเกิดในหมู่บ้านนั้นบ้านคนจันทานพระโพธิสัตว์ก็เคยไปเกิดเป็นจันททาน เป็นวันณะที่ไม่มีชาติไม่มีสกุลเพราะฉะนั้นเหตุที่ทําให้เกิดในตระกูลต่ำก็คือริษยาแรงริษยาทําให้เกิดในตระกูลต่ำหรืออีกในหนึ่งการมานะเยื่ยยิ่งจนเกินไปนะไอ้มานะชนิดนั้นแหละที่หรือริษยานั่นแหละเป็นเหตุให้ไปเกิดในตระกูลที่ตกต่ำต้นเหตุพระพุทธศาสนาเนี่ยบางครั้งท่านก็เผลอไปทําบาปอากุศลอย่างนั้น บาปอากุศลนี่ก็ยุติธรรมนะเป็นโพธิสัตว์ไม่เป็นโพธิสัตว์ชั้นให้ผลหมดแหละคุณจะเป็นใครก็ตามเถอะบาปไม่เคยละเว้นคิดเป็นบาปชั้นให้บาปหมดอันพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดในหมู่บ้านของคนจันท ร, รต่อมาขะะา้าพระไสยศาสตว์ก็คือสัตว์ที่เกิดในคันอื่นก็มาเกิดในบุตรแห่งหน้าหญิงของพระโพธิสัตว์เหมือนกันคือพี่น้องใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยพี่น้องผู้พี่ออกลูกมาเป็นพระโพธิสัตว์ ฝ่ายน้าหญิงนี่ก็ออกลูกมาอีกคนหนึ่งเป็นชายเหมือนกันทีนี้ในกุมารทั้งทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งพระโพธิสัตว์ชื่อว่าจิตตะกุมารชื่อจิตอีกคนหนึ่งเป็นบุตรของหน้าสาวชื่อว่าสัมภูตะกุมารกุมารแม้ทั้งสองเหล่านั้นก็เจริญวัยแล้วเรียนศิลปะศัพท์ชื่อว่าจันทาลวังสะโถวะนะเรียกว่าเรียนศิลปะของตระกูลจันทาน วันหนึ่งก็เลยชาคชวนกันว่าเราทั้งสองคนจักแสดงศิลปะก็คือพอเรียนสําเร็จการศึกษาวิชาจันทันแล้วก็อยากจะแสดงศิลปะให้คนทั่วไปได้ดูได้ชมกันที่ใกล้ประตูพระนครอุเฉนีทีนี้คนหนึ่งก็แสดงศิลปะที่ประตูด้านทิศเหนืออีกคนหนึ่งก็แสดงศิลปะที่ประตูด้านทิศใต้ก็คือแบ่งสถานที่การสแสดงคนละฝกัก ฝากประตูเมืองเลยอะแบบเมืองเชียงใหม่เราก็อยู่คนละประตูมีประตูไหนบ้างเมือนกันนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ด้านทิศเหนืออีกคนหนึ่งอยู่ด้านทิศใต้คนละประตูกันเลยทีนี้ก็ในพระนคร น, นั้นได้มีนางทิฏฐมังคลิกาสองคนมีผู้หญิงสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวของปุโรหิตาจารย์เขาเรียกว่าเป็นลูกสาวของมหาอามาตย์เป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีอะ ในผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นทิฏฐมังคลิกาแปลว่านางถือทิฐ e ิเป็นมงคลอันการเห็นบางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการเห็นบางอย่างถือว่าสวยเป็นอย่างยิ่งอันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ที่การเห็นนั่นแหละเขาถือว่าสีนั่นแหละเป็นมงคลถ้าเห็นสีที่ดีๆก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดถ้าเห็นสีที่ไม่ดีโอ้โหถือเป็นความชั่วร้ายถือเป็นความโชคร้ายเป็นความสวยอย่างยิ่ง บอกว่าถ้าไปเห็นสีที่ไม่ดีถึงขนาดกับเอาน้ํามาล้างตาได้อะแสดงว่าสวยมากเลยทีนี้นางทั้งสองก็ได้ให้บริวารชนเนี่ยถือของขบเคี้ยวและของบริโภคระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นต้นเป็นอันมากไปด้วยคิดว่าจับไปเล่นในอุทยานกันคือจะไปเที่ยวที่สวนกันคนหนึ่งก็ออกทางประตูทิศเหนืออีกคนหนึ่งก็ออกทางประตูทิศใต้นางทิฏฐมังคลิกานางที่ถือการเห็นเป็นมงคลเนี่ย ในกุมารีคือลูกสาวของเศรษฐีและปุโรหิตาจารย์สองคนนั้นน่ะเห็นบุตรของคนจันทานสองพี่น้องแสดงศิลปะอยู่ไปเห็นคนแสดงศิลปะกำลังร่ายรำ<ๆ>ก็เลยถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครคนที่แสดงนั่นเป็นใครนอได้ฟังข่าวว่าคนที่แสดงเนี่ยเป็นบุตรจันทานเป็นลูกของคนจันทานเป็นลูกของคนที่มีชาติตระกูลต่ำสาม ก็เลยคิดว่าเราทั้งหลายได้เห็นบุคคลที่ไม่สมควรเห็นแล้วหนอนางเนี่ยพอเห็นปั๊บถือโอ้โหช่างซวยเหลือเกินอันนียได้มาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นทีนี้ทํำยังไงอ่ะก็บอกว่าไปเห็นของที่มันเหมือนกับเห็นแล้วสวยมากถ้าเราทั้งหลายจะทํายังไงยมแต่ไปเห็นของที่เราถือว่าโอ้โหชั่วช้าเร็วทามมากก็เลยเอาน้ําหอมเนี่ยมาล้างตาพากันกลับบ้านวันนี้เที่ยวไม่ดีละ เลิกไม่ดีและการเที่ยวอะ่ะถือว่าเห็นคนซวยเห็นองจังไรก็เลยพากันเอาน้ําหอมเนี่ยมาล้างตะมียาหยอดตาก็เอายาหยอดตามาหยอดสักหน่อยทีนี้มหาชนที่พากันไปด้วยเนี่ยก็พากันโกรธกล่าวว่าเฮ้ยไอจ้จำทานชาติชั่วบริวารที่ติดตามไปนาะแค้นมากเลยนะเพราะเจ้าทั้งสองคนเราทั้งสองจึงไม่ได้เดื่มสุราและกลับแกล้มที่ไม่ต้องซื้อต้องหาคล้า ย, ายกับว่า เขาได้ไปเที่ยวในงานนั้นน่ะถือว่าถ้าไปเที่ยวถึงงานเขาไม่ต้องซื้อเหล้าซื้อยาซื้อกับแกล้มซื้ออะไรกินแต่ทีนี้นางเจ้าของทรัพย์เนี่ยดันไม่ไปเที่ยวเมื่อไม่ไปเที่ยวสปอนเซอร์ก็อดใช่ไหมเจ้าของงานเจ้าภาพก็ไม่มีใครเลี้ยงอ่ะอดกินเลยอ่ะพอเห็นเจ้าสองคนแท้ๆก็เลยพากันโบยพากันตี <c oughs> พี่น้องทั้งสองเหล่านั้นให้ถึงความย่อยยับ พากันตีซะจนบอบช้ำทั้งพี่ทั้งน้องพี่น้องทั้งสองคนเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ถูกตีจนสลบพวกบริวารเนี่ยโหดเหลือเกินเนาะตีจนสลบเลยพอสลบฟื้นมีสติขึ้นมาก็าลูกเดินไปหากันและการพี่ก็ไปหาน้องน้องก็ไปหา้อพี่ไปเจอกันในบริเวณถนนและก็พากันคร่ำครวญบอกเล่าสารทุกข์สุขดิบให้กันฟัง ว่านางทิฏฐมังคลิกาเนี่ยให้ลูกน้องให้บริวารเนี่ยตีซะย่อยยับมาขนาดนี้สองพี่น้องก็ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันต่างก็ร้องให้คำควรก็เลยปรึกษากันว่าเราทั้งสองเนี่ยจะทำอย่างไรกันดีเกิดมาเป็นคนจันทานอุตส่าห์ล่ำเรียนศิลปะวิชามาแสดงให้คนดูเพื่อจะได้เงินได้ทองกับเข้ามั่งความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น ไปเจอคนที่ถือเรื่องการเห็นเป็นมงคลพวกเรานี่มันเกิดมาชาติชั้นเกิดมาในชาติตระกูลที่ต่ำต้อยทีนี้จะหาอยู่หากินนี่คงลําบากจะทํายังไงกันดีนาะเพราะอาศัยชาติกําเนิดความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เราทั้งสองที่น้องเราไม่สามารถจะทํางานของกวนจันทร์ได้ก็เลยตกลงกันว่าเราทั้งสองเนี่ยปกปิดชาติกําเนิดแล้วปลอมเพศเป็นพราหมานก ไปสู่เมืองตักศิาลาเราเรียนศิลปาศาสตร์กันเถิดเขาถือมากในะเรื่องวันณนะเนี่ยฉั้นเอ๊จะทํำยังไงกันดีก็เลยปลอมตัวซะเลยวันณะพราหมณ์เนี่ยถือว่าสูงส่งนะนักหลอกว่าเป็นพราหมณ์ซะเลยก็ไปสู่เมืองตักศิาลาเราเรียนศิลปะวิทยาอย่างนี้แล้วก็เดินทางไปเมืองตักศิลาเป็นธรรมมันเตวาศิษย์เริ่มศึกษาเล่าเรียนศิลปาศาสตร์ ในสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกไปถึงก็ความที่ตัวเองเป็นคนยากจนเข็นใจไร้รับเนี่ยก็ไปสมัครเป็นลูกศิษย์ ท, ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนแต่เข้าไปประพฤติอุปถัมภค์ครูอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําำมดนั่นแหละเรียกว่าไปเป็นก้นกุฏิเลยนั่นแหละคอยรับใช้คอยอุปถัมภ์แล้วก็อาศัยอาจารย์นั่นแหละศึกษาศิลปะวิชาความรู้พี่น้องสองคนจิตตะบัณฑิตเรียนศิลปาศาสตร์สําเร็จ พี่นี่เรียนจบส่วนน้องสำภูตะนี่เรียนยังไม่จบเกือบจบพอดีเลยแต่ก็ยังไม่จบอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ชาวบ้านผู้หนึ่งก็มาเชิญอาจารย์ที่สาปามโมกว่าข้าพเจ้าจะ ก, กระทําการสวดมนต์ในพิธีมงคลเขาคล้ายๆกับว่าของพวกเราก็เลี้ยงพระนะอยากจะเลี้ยงพระหน่อยแต่ของเขาก็สมัยนั้นซึ่งไม่มีผู้าศาสนาเขาก็นับถือพราหมณ์กันเขาก็จะเชิญพราหมณ์เนี่ยไปในงานกินเลี้ยง ทีนี้ในคืนวันนั้นนั่นเองฝนก็ตกเออล้นซอกมุมเป็นต้นแห่งหนทางอาจารย์ก็เลยเรียกจิตตบัณฑิตมาแต่เช้าตรูกแล้วก็ส่งไปแทนตนว่าอาจารย์ไปไม่ได้น้ำท่วมน้ำเยอะให้ลูกศิษย์ไปแทนก็แล้วกันสั่งว่าพ่อมหาจำเริญเราไม่สามารถจะไปได้เธอจงไปสวดมงคลคกระถาพร้อมด้วยมานบทั้งหลายบริโภคอาหารส่วนที่พวกเธอได้รับแล้วนาส่วนที่เราได้มาให้เราด้วย ส่วนของอาจารย์ก็เก็บมาให้อาจารย์ด้วยนะส่วนของพวกเธอพวกเธอก็กิกนกันไปจิตบัณฑิตก็รับคําของอาจารย์แล้วก็พามานพทั้งหลายไปทีนี้คนทั้งหลายก็คดข้าวปลายยอตั้งเอาไว้ไหมายว่ากว่ามานพทั้งหลายจะอาบน้ําล้างหน้าเสร็จข้าวก็จะเย็นพอดีนะเจ้าของข้าวปลายยอดเขาก็คดไว้ก่อนให้มันเย็นนะเพราะข้าวปลายยอมันก็เหมือนกับข้าวที่เอา เนยเอาข้าวสาลีเอาอะไรเนี่ยมากวนกันมันก็ป่ายาติมีน้ำน้อยอะหุงด้วยน้ํำนมอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความร้อนมากทีนี้เมื่อมันร้อนมากๆก็ตักเอาไว้ให้มันเย็นซะกก่อนทีนี้มนุษย์ทั้งหลายก็เลยให้น้ําทักซีโนโทกยกสําหรับมาตั้งไว้ข้างหน้าของมานพเหล่านั้นสัำภูแต่มานพเป็นเหมือนคนมีนิสัยละโมบในอาหารคนน้องเนี่ย คือเกิดมาในตระกูลที่มันอดอยากมานานเนี่ยเห็นอาหารเข้าก็ละโมบอยากจะกินมากก็รีบตักก้อนข้าวปลายาใส่ปากเกิดมาไม่เคยกินข้าวปลายาดเลยไม่รู้มันเป็นยังไงเห็นข้าวก็เลยโอ้โหรีบคำเมือบเข้าไปเต็มที่ด้วยสําคัญว่าเย็นดีแล้วก้อนข้าวปลายาก็ร้อนระอุเหมือนเหล็กแดงอ่ะคล้ายๆกับขนมเปียกปูนซึ่งเอาลงจากหม้อใหม่ๆข้างบนก็ดูเย็น น, ยนะตักเข้าไปซัดก็งวบเข้าไปเนี่ยโอ้โห เราฮ้อนอย่าบอกใครเลยแต่ไมเด็กๆของนันมาเคยอยู่ก็คิดว่ามันเย็นอ่ะนะก็ปากนี่ก็ลวกพองหมดอ่ะเขาก็สะบัดหน้าสั่นไปทั้งร่างะนะมันร้อนอ่ะตั้งสติไม่อยู่มองดูจิตตบัณฑิตเผลอกล่าวเป็นภาษาจันทานอย่างนี้ว่าคลุคลุกของนั้นเป็นภาษากรู้ว่าเป็นภาษาชั้นต่ําฝ่ายจิตบัณฑิตนั้นก็ตั้งสติไม่ได้เหมือนกันก็ส่งภาษาจันทานตอบน้องไปว่า นิละนิ克拉คลุคลุนิละนิ克拉เป็นภาษาที่เรียกว่าตกต่ามานพทั้งหลายก็ต่างมองหน้ากันและการก็พูดว่าเออนี่มันภาษาอะไรกันจิตตบัณฑิตก็กล่าวมงคนคถาอนุโมทนามานพทั้งหลายก็เลยออกไปภายนอกนั่งวิพาควิจารภาษากันที่อยู่ในที่นั้นเป็นพวกพวกเอ๊ะมันคุยภาษาอะไรว่าขลุคลุนิละนิละพวกนั้นก็เอ๊ะเราเรียนมาในมน์ของเรานี่ไม่มีสักคําเลยคํานี่ ก็มีคนคนหนึ่งบอกเฮ้ยภาษาอย่างนี้มันภาษาจันทานภาษาคนชั่วช้าเร็วซ้มก็ด่าว่าเฮ้ยไอจันทานชาติชั่วพวกเจ้าหลอกลวงว่าเป็นพรามมาตลอดเวลามีประมาณเท่านี้แล้วก็ช่วยกันโบยตีมานกช่วยกันคนละตบคนละตับอีกนะเนี่ยโทษของชาติตระกูลเหมือนกันตอนที่ใครที่เกิดมามีมานะเยอะยิงจ้องหองเนี่ไม่รู้ตัวรอกเวลาเกิดมาแล้วมันให้ผลมาเกิดในชาติต่ําตระกูลซาม ไปที่ไหนก็เป็นที่รังเกียจเป็นที่เหยียวย้าเป็นที่ดูมินดูแคลนมันทุกอย่างนี้แหละทีนี้ครั้งนั้นก็มีสัตว์บุรษุษผู้หนึ่งก็เลยห้ามว่าท่านทั้งหลายจงหลีกไปก็คือไปห้ามไม่ให้ไปตีเขาเลยแล้วก็สองมานบออกมาการออกมาแล้วก็ส่งไปโดยพูดว่านี้เป็นโทษแห่งชาติกําเนิดของท่านทั้งสองความผิดในการกระทําของท่านไม่มีหรอกความผิดในครั้งนี้เกิดจากชาติตระกูล เมื่อเกิดจากชาติเนี่ยไปเกิดในชาติที่ต่ำเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งสองพากันไปบวชเลี้ยงชีพณประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเถอะหาบวช ด, ดีกว่ามานพทั้งหลายก็กลับมาแจ้งเรื่องที่มาน์ทั้งสองเนี่ยเป็นจันทานให้อาจารย์ทราบทุกประการฝ่ายลูกศิษย์ที่ไปงานนิมนต์หรือว่าไปบริโภคอาหารครั้งนั้นก็กลับไปบอกอาจารย์คืนว่า ง, งั้นไอ้ลูกศิษย์ของอาจารย์ตัวดีสองคนนั่นน่ะมันจันทานอาจารย์อย่างนันลูกศิษย์ทั้งสองคนก็หนีจากไป มานพทั้งสองก็เข้าไปบวชเป็นฤาษีวันเวลาต่อมาไม่นานนะักจุติจากอัตภาพนั้นวันเวลาผ่านไปความตายก็เข้ามาเยือนตายจากชาตินั้นแล้วบวชเป็นฤาษีตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรดีไปสมควรไปที่ไหนโอ้สาว บ, บวชนะท่านคงไปดีแน่ๆเลยทั้งสองไปเกิดเป็นลูกเนื้อรว่าไปเกิดเป็นกวางอ่ะเกิดเป็นพวกพวกกวางพวกละมั่งอย่างเนี้ย ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนรันชาถ้าไปที่วัดอุโมงก็ไปสวนสัตว์นะพวกกวางพวกละมังมันเยอะในชะ่ไหมนั่นแหละไปเกิดเป็นพวกอย่างนั้นแหละหรือสีตายเลยไปเกิดเป็นอย่างนั้นโอ้เสียเชิงหรือสีหมดเลยนะอุตสามาบวชตายไปเกิดเป็นเนื้อเนี่แย่เลยนะคุณพิจิุเนานะจำเดิมแต่คลอดจากท้องแม่เนื้อทั้งสองแล้วมรดกโปรยกทั้งสองพี่น้องก็เที่ยวไปด้วยกันไม่อาจจะพลาดจากกันได้ ชาติที่แล้วเป็นจันทานทั้งคู่กับเป็นผู้ที่สนิทสนมรักใคร่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันทีนี้พอทั้งคู่เนี่ยตายจากนั้นมาเกิดเป็นมรุษเกิดเป็นเนื้อก็สนิทสนมกันอีกทีนี้วันหนึ่งนายพรานเห็นมรุโปดกทั้งสองคาบเหยื่อกลับมาแล้วก็ยืน่นเอาหัวต่อหัวเอาเขาต่อเขาเอาปากต่อปากจรดชิดติดกันอยู่ยืนขนชันตั้งอยู่ณนะที่โคนไม้แห่งหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่สนิทสนมกันมากฝั่งนี้ก็ค้าบอาหารให้ฝั่งโน้นกินฝั่งโน้นก็ค้าบอาหารให้ฝั่งนี้กินเลียปากเลียจมูกเลียอะไรกันน่าดูเลยเพราะสนิทสนมรักใคร่ปรองดองกันมากทีนี้นายพรานก็เห็นเ อ, อ่ยยืนเคียงข้างกันพอดีเลยก็เลยเข้าไปที่โคนไม้แห่งหนึ่งเอาห อ, อกพุ่งไปที่สัตว์ทั้งสองมรึกทั้งคู่นะั้นะก็ถูกห อ, อกทิ่มนะทิ่มข้างเดียวเนี่ยทะลุไปถูกเนื้อทั้งสองตัว ตายด้วยการประหารครั้งเดียวนะพุ่งพรวดเดียวเนื้อตายทั้งคู่มล็ดโปรดกทั้งคู่นั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดเป็นตายแล้วก็ต้องเกิดใช่ไหมเกิดเป็นอะไรคะ<ม>เกิดเป็นกำเนิดนกเขาตายจากเนื้อไปเกิดเป็นนกเมื่อวานเนี่ยกล่าวถึงข้อความในสัตว์จะสังยุตตานิกายกล่าวถึงว่าสัตว์ที่ตายจากมนุษย์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คืนเนี่ยน้อยเหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บเมื่อเทียบกับแผ่นดินแผ่นดินซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลสัตว์ที่ตายจากมนุษย์กลับคืนมาสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยเหมือนกับฝุ่นในปลายเล็บเกิดใปสัตว์เดรัจฉานเท่าๆกับแผ่นดินใหญ่นั่นแหละเกิดไปสู่อบายทุคติวิญญาณนี่มากมายมหาศาล อฤูศีทั้งคู่ตายจากฤูศีไปเกิดเป็นเนื้อตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกเขาเรื่องบอกว่าสัตว์ที่ตายจากเดรัฉานกลับคืนมาสู่ความเดรัชานหรือว่านรกเปรตอสุรกายนี่มีมากกว่าทีนี้ก็ไปเกิดเป็นนกเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํารัมมธานาธีในอัตภาพนั้นก็มีนายพรานนกเขามาดักนกผู้หนึ่งในพรานดักนกเห็นลูกนกเขาทั้งสองนั้นเจริญแล้วซึ่งไวัยไปเที่ยวคาบเหยื่อ มายืนเอาหัวซบหัวเอาจะงอยปากต่อจะงอยปากแนบสนิทชิดเรียงเคียงกันอยู่จึงเอาขายเนี่ยครอบฆ่าให้ตายด้วยการประหารทีเดียวนะนกเขายืนเคียงคู่นายพรานก็เข้ามาจู่โจมเพบเดียวก็ตายเรียกโจตจากอัตภาพนั้นแล้วจากกาเนิดนกเขามาเกิดเป็นอะไรดิบุญที่ทําไว้ในสมัยที่เป็นฤาษีจึงให้ผล ตายจากชาตินั้นจิตตะบันดิตมาเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในพระนครโกสัมพีสัมภูตะบัณฑิตเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอุตรปัญจล ร, ราชเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทีนี้สัมภูตะบันดิตเนี่ยหลังจากที่เรียกชื่อเด็กทั้งสองคนเนี่ยละลึกชาติได้สัมภูตะก็ละลึกชาติได้จิตตะบันดิตก็ละลึกชาติของตนของตนได้แต่ว่าสัมภูตะบัณฑิต ไม่สามารถระลึกชาติในระหว่างได้ระลึกได้เฉพาะชาติที่สี่ซึ่งเคยเกิดเป็นคนจันทานจาได้ชาติเดียวคือชาติที่เป็นจันทานชาติที่เป็นเนื้อชาติที่เป็นนกเขาจำไม่ได้ส่วนจิตตบัณฑิตกุ ม, มารระลึกได้ตลอด4ชาติโดยลำดับทีนี้เมื่อเวลาที่มีอายุได้16ปีจิตตบัณฑิตก็ออกจากเรือนไปสู่หิมมาวันตัประเทศบวชเป็นฤาษี ยังชานาภิญญาให้เกิดยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดจากชาญเบื่อหน่ายในสงสารน่อนะโอตายเกิดเกิดเป็นจันทานตายจากชันทานมาเกิดเป็นเนื้อตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกตายจากนกมาเกิดเป็นคนชีวิตมันยังน่าเบื่อหน่ายแท้ก็เลยออกบวชได้ทำชาได้เลยทีนี้ฝ่ายสัมภูตะกุมารซึ่งเมื่อพระชนกสวรรคตรเพราะเขาเป็นราชโอรสให้ยกสเสวตฉัดขึ้นสเสวย ร, ราชสมบัติแทนพ่อผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้ตรัตคาถาด้วยความเบิกบานใจกระทําให้เพลงขับเฉลิมฉลองมงคลท่ามกลางมหาชนในวันเฉลิมมงคลฉัดนั่นเองเรียกว่าวันที่ได้แต่งตั้งเป็นพระราชาก็กล่าวเป็นคาถากล่าวเป็นบทเพลงกล่าวเป็นบทประพันธ์สองคาถาขึ้นในวันที่ได้รับอภิเษกทีนี้นางสนมกำนันก็ดีนักฟ้อนรำทั้งหลายก็ดีก็ต่างสดับ คาถาเพลงขับนั้นแล้วก็คิดว่านี้เป็นเพลงขับเฉลิมฉลองในงานวันมงคลของพระราชาของเราทั้งหลายจึงพากันขับร้องบทเพลงราชนิพนธ์นั้นกันทั่วไปประชาชนชาวนครแม่ทั้งหมดทราบว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โปรดปรานพอพระไทยของพระราชาก็พากันขับร้องพระราชนิพนธ์นั่นแหละบ่อยๆต่อต่อกันไปโดยลําดับเป็นบทประพันธ์ที่ดังมากในสมัยนั้นซึ่งพระราชาร้อง ฝ่ายจิตตะบัณฑิตดาบทรือสีผู้ได้ชานาพิญญาก็อยู่ในหิมวันต์ประเทศใคร์ครวรพิจารณาดูว่าสัมภูตะบัณฑิตน้องชายของเราได้ครอบครองราชสมบัติแล้วหรือยังไม่ได้ครอบครองก็เลยรู้ว่าครอบครองแล้วก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งสอนพระราชาซึ่งเสวยราชสมบัติใหม่ได้ให้ทรงรู้แจ้งธรรมวิเศษได้ก่อนเราจะไปหาเท้าเธอในเวลาที่พระชาราภาพ พระราชาตอนนี้กำลังสเสวยราชสมบัติใหม่ๆนี่กำลังมัวเมาเต็มที่ไปคุยอะไรคงไม่ได้สักอย่างหรอกอันปล่อยให้แก่ๆก่อนแล้วค่อยว่าอีกทีนึงกล่าวทรรมกษรแล้วก็จะชวนให้บวชมิได้เสด็จไปตลอดระยะเวลาห้าสิบปีอีกห้าสิบปีผ่านไปก็ไม่ไปหาในเวลาที่พระราชาเจริญด้วยโอรสและธิดาแล้วนะแต่งงานมาห้าสิบปีแล้วก็ต้องมีลูกมีล้านเยอะแ ล, ละ้วล่ะ ฤศีก็เลยเหาะมาทางอากาศด้วยริษานุภาพลงที่พระราชอุวยาพักนั่งอยู่บนแท่นมงคลศิลาอาจราวกับพระปฏิมาทองคำขณะนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งขับเพลงรา ช, ชนิพนธ์เนี่ยเก็บฟืนอยู่เด็กเนี่ยรู้ว่าเพลงเป็นที่โปรดปรานใช่ไหมเก็บผักหักฟืนไปด้วยร้องเพลงอันนี้ไปด้วยจิตบันดิตดาบทก็เรียกเด็กคนนั้นมาเด็กก็มาไหว้ดาบทแล้วก็ยืนอยู่ทีนั้น จิตตบันดิตดาบทก็เลยกล่าวกับเด็กนั้นว่าตั้งแต่เช้ามาแล้วเจ้าร้องเพลงนี้เพลงเดียวเท่านั้นไม่รู้จักเพลงอื่นหรืออย่างไง ร, ร้องอยู่ได้เพลงเดียวซ้ำซ้ำซักๆไม่รู้จักเบื่อเลยเด็กก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมรู้บทเพลงแม้อย่างอื่นเป็นอันมากแต่บทเพลงทั้งสองนี้เป็นบทที่พระราชาโปรดปรานพอพระราชฮาฤไทยเพราะฉะนั้นกระผมจึงขับร้องเพลงเฉพาะบทนี้เท่านั้นเพลงโปรดของพระราชาเขาหมือนั้น ดาบทก็เลยถามต่อไปว่าก็ใครๆร้องเพลงขับตอบพระรา ช, ชนิพนธ์บ้างหรือไม่มันเป็นบทเพลงที่มันมีเนื้อความยังไม่สุดมันยังต้องมีเอาอีกบทหนึ่งมาต่อเข้าไปเพลงนี้จึงจะจบสมบูรณ์ดีแล้วมีใครร้องร้องบทเพลงอันนี้เนี่ยต่อไปอีกไหมเด็กก็เลยบอกว่าไม่มีฤศีก็บอกว่าเออเจ้าล่ะสามารถที่จะร้องบทเพลงเนี่ยตอบพระราชามั้ยล่ะ เด็กก็เลยบอกว่าเมื่อผมรู้ก็สามารถแต่ผมไม่รู้มจะร้องต่อว่ายังไงถ้ามีคนบอกผมนะผมกล้าร้องอยู่แล้วโธ่ไปยากอะไรฤาษีก็บอกเออถ้าเช่นนั้นเมื่อพระราชาทรงขับเพลงบทเพลงราชนิพนธ์ทั้งสองแลว้วเจ้าจงเอาบทเพลงขับที่สามขึ้นไปร้องขันตอบเถิดแล้วก็สอนเพลงขับนั้นให้เด็กแล้วก็ส่งไปพร้อมกับสั่งว่าถ้าเจ้าไปขับร้องในสำนักของพระราชาพระราชา ส่งเลื่อมสายพระราชทานยศใหญ่แก่เจ้าเด็กนั้นก็เลยเรียบไปยังสำนักของแม่รีบกลับบ้านเลยแล้วก็ให้แม่ช่วยประดับประดาตบแต่งแล้วก็ไปประตูรา ช, ชนิเวศสั่งให้รา ช, ชบุตรปราบทูลพระราชาว่าได้ยินว่ามีเด็กคนหนึ่งจกมาขับร้องเพลงตอบกลับด้วยพระ อ, องค์ครั้นเมื่อได้รับพระ บ, บรมราชาอนุญาตแล้วก็เข้าไปถวายบังคมอันพระราชาตรัสถามว่าพ่อเด็กน้อยเขาว่าเจ้าจากมาร้องเพลงตอบกลับเราหรือ ก็กราบทูลว่าขอเดชะพระอายยังไม่พ้นเกล้าเป็นความจริงพระเจ้าข้าแล้วก็กราบทูลให้พระราชามีพระราชโองการให้ราชบริษัททั้งหลายมาประชุมกันเมื่อราชบริษัทมาประชุมกันแล้วจึงกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์โปรดทรงขับร้องเพลงบทนิพนธ์ของพระองค์ก่อนเถิดให้พระราชาร้องเพลงบทนั้นก่อนข้าพระพุทธเจ้าจะขับบทเพลงถวายตอบทีหลัง พระราชาก็เลยกล่าวเป็นคาถาอ่ะมาดูที่ว่าเพลงที่เขาประทับใจกันนักหนาเนี่ยเพลงอะไรเนาะดีแท้ๆนะเพื่อเราจะได้จำมาไปร้องบ้างคุณพี่ตะุจจำให้แม่นเนอ้อก็บอกว่ากรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปก็แปลว่ากรรมที่ทุกคนทำมีผลแน่นอนขึ้นเชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่นี เราได้เห็นตัวของเราผู้ชื่อว่าสัมภูตะมีอนุภาพมากอันบังเกิดด้วยผลบุญเพราะกรรมของตนเองนี่ที่เรามาเกิดเป็นพระราชาอยู่นี่เพราะมาด้วยบุญของเรานะกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มี มโนรสของเราสำเร็จแล้วแม้ฉันใดมโนรสแม้ของจิตตะบันดิตเชษดขาคือพี่ชายของเราก็คงจะสำเร็จแล้วฉันนั้นกระมังนาคือตัวเขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วละ่ะกรรมที่เขาทำไว้ทำให้เขาได้มาเกิดเป็นพระราชาแล้วส่วนพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนาะประสบความสาเร็จหรือเปล่าคำว่ากรรมที่นรชนสังสมไว้แล้วเนี่ย ย่อมมีผลเสมอไปกรรมในที่นี้หมายถึงอัปาปาระเบรยเวทนียกรรมอปาปาระเบรยเวทนียกรรมคือเจตนาของดวงที่สองถึงดวงที่หเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6จะไม่เป็นอโหสิกรรมโดยประการใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้กาลคติอุปธิประโยคะเทียบพร้อมแล้ว กรรมเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้ผลได้ทันทีเพราะฉะนั้นกรรมแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยที่เรียกว่าอัปรารปริยะเวทนิยกรรมเนี่ยที่จะเชื่อว่าเป็นโมฆะไม่มีคือจะไร้ผลเสียเลยหาไม่ได้ต้องให้ผลซะก่อนจึงจะผลได้อันเจตนาในชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกขณะไหนขณะนี้มีไหมขณะนี้นั่งคิดนะนั่งคิดขณะนี้เนี่ยตาเห็นปั๊บ ชาวนะที่สองถึงที่หกมีแน่นึกคิดที่สองถึงที่หกก็มีเมื่อชาวนะมีอย่างนี้ตลอดขณะไหนมั่งที่เราไม่ได้ทำกรรมสแสดงว่าเราก็ทำกรรมเกือบทุกขณะจิตเลยใช้คำว่าเกือบนะเพราะว่ายังมีช่วงที่เป็นวิบากจิตพวังขจิตพวกนั้นนะ่ะไม่เป็นกรรมแต่ว่าในชาวนะทุกๆความคิดดวงที่สองถึงดวงที่หกมีผลแน่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ผล ความนึกคิดของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปมีผลแน่นอนแต่ว่าอดใจรอสัหน่อยปัญหาสาคัญ น, นะถ้ามันให้ผลหมดไอ้ที่บาปนี้มันจะให้ผลก่อนอนะพอทําให้ประเภทโทสะโมหะโลภาไว้เยอะทีนี้บุญมันทําไว้ไม่มากนะักก็เรียกหาแต่ผลของบุญเนี่ยแม่มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมอนะที่จริงกรรมมันให้ผลยุติธรรมแล้วละแต่ขณะเดียวกันเราต้องศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจนะถ้าอยากให้ผลแห่งกรรมดีให้ผล เงื่อนไขที่กรรมดีจะให้ผลต้องมีสมบัติสี่ประการไม่ใช่มีพระสมบัตินะมีพระสมบัติอาจจะวิบัติก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีสมบัติสี่ประการคือหนึ่งกาละสมบัติสองคติสมบัติสามอุปทิสมบัติข้อสุดท้ายก็คือประโยคนความเพียรความพยายามจะต้องดีจริงๆกุศลกรรมผลแห่งความดีจึงจะให้ผลได้ตาชาก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นตัวของข้าพเจ้า ผู้บังเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญเพราะกรรมของตนคือบังเกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญเพราะอาศัยกรรมของตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชานี้ข้าพเจ้ามาด้วยบุญของข้าพเจ้านะแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเราทั้งสองได้รักษาศีล ร, ร่วมกันมาก็นึกถึงพี่ชายนะจิตตะบัณฑิตผู้เป็นพี่ชายในสมัยที่เคยเกิดเป็นจันทานร่วมกันพี่ชายของเราเนี่ย เป็นยังไงนาหวังงานสำเร็จความปรารถนาเหมือนข้าพระเจ้าหรือเปล่าเนาะเด็กนั้นก็ร้องเพลงตอบพระราชาว่าค่าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทศกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอไปขึ้นเชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นอันไม่มีสรุปเจตนามีผลเหมือนกันนั่นแหละ มโนรสของพระองค์สําเร็จแล้วฉันใดขอพระองค์โปรดทราบเถิดว่ามโนรสของจิตตะบันดิตก็สําเร็จแล้วฉันนั้นเหมือนกันบอกว่าจิตตะบันดิตพี่ชายของท่านก็สมความประสงค์แล้วละพระราชาก็เลยฟังว่าเออเจ้าหรือคือจิตตะเนี่ยว่าเด็กที่มาร้องเพลงเจ้าใช่ไหมคือจิตตะเจ้าได้ฟังคํานี้จากคนอื่นหรือว่าใครบอกเนื้อความนี้แก่เจ้าคาถานี้เจ้าร้องดีแล้ว